วันนี้คงจะมีการบวชนาคอุปสมบทในวัดของเราก็คงจะใช้เวลาไม่นานฉันจังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นาคกับพระพี่เลี้ยงคงจะไปโปรงผมกับญาติพี่น้องนะญาติผู้ใหญ่เอาญาติผู้ใหญ่พาไปโปรงผม ผ ม, ผมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงมักกรอกใบสมัครสมัครบวชแล้วก็มีพยานหลักฐานพยานในการขอบวชจากนั้นก็คงจะใช้เวลาบวชตรงพ่อคิดว่าไม่นานประมาณชั่วโมงกว่ากว่าประมาณสัก10บโมงกว่ากว่าน่าจะเสร็จทุกอย่างนะแต่ตามจริงการบวชในพระพุทธศาสนา อย่างสององค์สุดท้ายเนี่ก็เป็นครูบาอาจารย์บวชถวายพระราชกุศลในหลวงกองราด60ปีอันนี้แปลว่าเป็นครูบาอาจารย์เสียสละและก็ลาบวชเพื่อถวายพระราชกุศลแต่เมื่อวานนี่ก็หลวงพ่อไปพบกับพระที่มาจากกรุงเทพที่บวชเจดว ร, รูปนะคือในกรุงเทพเขากรจัดเป็นวัดวัดนะบวช ถวายพระกุศลในหลวงท่านก็ตอบว่าโยมพระใหม่ท่านก็บอกว่าไม่รู้จะถวายอะไรแก่ในหลวงเพราะในหลวงมีพร้อมหมดทุกอย่างแล้วเกรได้บวชประกอบสร้างคุณงามความดีทําบุญทํากุศลสร้างบุญสร้างกุศลจากนั้นก็คงถวายในหลวง คือปฏิบัติบูชาเพราะ ง, งั้นเถอะอามิตรบูชานในหลวงมีพร้อมหมดทุกอย่างแล้วท่านอยากจะเห็นพระสกนิกรของพระ อ, องค์เป็นคนดีแล้วกับระพุติตนเป็นคนดีเป็นผู้มีคุณธรรมมีศรรมีลธรรมมีจริยธรรมจากนั้นเมื่อเป็นคนดีแล้วก็อุบูธถวายพระราชกุศลต่อในหลวงผู้เป็นร่มโพ ร, ร่มไทของประเทศชาติ ของพวกเราทันทั้งหลายอันนี้ก็หลวงพ่อว่าคิดถูกนะผู้ที่บวชเข้ามาเนี่ยก็คล้ายๆกับ ไ, ไม่รู้เราจะทดแทนในหลวงอย่างไรในหลวงมีหมดทุกอย่างแล้วทั้งทุกอย่างภายนอกยังเหลือแต่บุญกุศลเหมือนบุญกุศลนี่เป็นของละเอียดเหมือนกับเราหาทรัพย์สมบัติหาเงินหาทองได้แล้วหายดธาบรรดาศักดิ์ได้แล้วมีทรัพย์สมบัติ ก็ไม่ไม่หยุดยเพียงเท่านั้นก็นยังเอาทรัพย์สมบัติมาทําบุญอีกแสดงว่าบุญนี่เหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมดถ้าว่าคนไม่มีบุญทรัพย์สมบัติก็ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ก็ไม่มีแต่ถ้าว่าคนมีบุญมีหมดทุกอย่างยศถาบรรดาศักดิ์ก็มีเงินคําทรัพย์สมบัติก็หลั่งไหลเข้ามาคนมีบุญทําอะไรก็มาก็เป็นชิ้นเป็นอันล่ํารวยขึ้นมา พราคนมีบุญถ้าหาว่าคนไม่มีบุญคนไม่มีกุศลคนไม่เคยสั่งสมบุญกุศลมา ก, ก่อนพอทําอะไรอไปก็หุดไม้หลุดมือหลุดไปเรื่อยๆทําอะไรที่มันจะถูกมันก็น ก, นกลับเป็นผิดไปเพราะบุญกุศลไม่เกือกูลหนุนแต่ถ้าหาว่าผู้มีบุญกุศลเกือกูลหนุนแล้วทําอะไรมันก็เจริญงอกเงยงอกงามขึ้นไปเรื่อยๆเพราะนั้นบุญ พวกเราท่านทั้งหลายต้องการคือมีเงินคําทรัพย์สมบัติแล้วยังเอามาทําบุญอีกบุญนีเน่เหนือกว่าสิ่งใดนี่กัครูบาอาจารย์มาจากเชียงคานที่หลวงพ่อไปสร้างอาคารเรียนให้สมชั้นเมื่อปีก่อนปีก่อนเชียงคานปีที่แล้วเนี่ยเอราวันนะอาคารเรียนสามชั้นแต่ ย, ยังขาดห้องสมุด สําหรับให้นักเรียนแต่ถ้าจะว่าไปหลวงพ่อเองก็ถ้าจะว่านักก็หนักพอสมควรเมื่อ 2- อสปีที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วหลวงพ่อก็ไปสร้างเจดีย์ของคุณแม่ชีแก้วที่จังหวัดมุกดาหารเป็นเจดีย์ใหญ่พอสมควรจากนั้นก็ไปสร้างอาคารเรียนติดๆกับเจดีย์นั่นนหะ พอเขาขอมาไปดูแล้วก็เออสำรู้ชุดโสร่ก็ทำโรงเรียนสองชั้นสี่ห้องเรียนข้างบนแล้วก็ข้างล่างโล่งทีนี้ก็โรงเรียนหัวอนตนันที่ติดตามหลวงพ่อมานานเขาก็อยากจะได้อาคารเรียนอีกหลุอองพ่อก็ไปดูดูอีกคณะกรรมการดูเออก็น่าจะทําให้เขานักเรียนมีตังเยอะแยะเหมือนกับเชียงคานของเราลักษณะอย่างนั้นอะ หลวงพ่อก็ได้ตกลงให้เขาอีกอันนี้เจดห้องเรียนข้างบนสข้างล่างสานี่แหละถ้าจะว่าไปหลวงพ่อเองก็ถึงอยู่อย่างนี้นะการส่งเสริมการศึกษาของลูกหลานไม่ได้นิ่งดูได้อย่างโรงพยาบาลอำเภอคำาชีาอีเขาก็ขอมาเขาขอห้องแฝดห้องแฝดสองห้องอันนี้ก็กกำลังลงมือกันอยู่วันนั้น จะตุปัจจัยของหลวงพอ่อศรัทธาญาติโยมมาถวายต่างกรามต่างวาระตาออมาถวายหลวงพอ่อเนีน่แหละเก็บรวบรวมจากนั้นก็ได้ช่วยเหลือชุมชนสังคมประเทศชาติอย่างที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังนี่แหละทั้งว่าหลวงพ่อไม่เล่าไม่พูดให้ฟังพวกเราก็คงจะไม่รู้วันทำอะไรไปบ้างที่ไหนบ้างแต่าบางคนก็บอกว่าถ้าหลวงพ่อพูดออกมา ก็เหมือนหลวงพ่ออวดตามไม่จริงไม่ได้อวดนะพูดตามความเป็นจริงว่างั้นเถออย่างเชียงคานเนี่ยเป็นสะพานบุญให้แก่ญาติโยมทางกรุงเทพและเอนละวันก็เหมือนกันแต่โรงเรียนนองเอี่ยนตรงเนี่ยของหลวงพ่อเพียวๆเลยแเรางั้นเถอะแปลว่าจตุปัจจัยที่ได้มานี่แหละถ้าจะว่าไปแล้วก็ทุนการศึกษาของหลวงพ่อก็แตกกระจาย มันเป็นเบีย้ยหัวแตกพอสมควรมางั้ยแตะแต่หลุงพ่อก็ยังคิดอยู่ว่าเออถ้าสร้างโรงเรียนหัวตอนตานเสร็จไปแล้วก็คงจะพักยกนะลูกหลานนะเพราะว่าเครื่องมันร้อนแล้วเงั้ยเคือ <c> ง <oughs> เครื่องเครื่องมันร้อนมาเงั้นเถอะเอ อ, เ อ, อมันออกมันออกสีแดงขึ้นมาแล้วต้องพักยกนะอันนี้หลวงพ่อก็พูดอย่างงั้นอ่ะอันนี้ก็คือถ้าหากว่ามันได้มาโดยเป็นธรรม เขาคงจะแจกจ่ายกันไปเรื่อยๆจนชีวิตจะหาไม่เพราะว่าการศึกษาเราจะมองข้ามไม่ได้การศึกษาพยาบาลโรงพยาบาลจำเป็นที่จะต้องได้ดูแลพี่น้องประชาชนคนในชาติถ้าว่าทุกคนมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีการคิดอ่านช่วยประเทศชาติประเทศชาติของเราคงจะน่าอยู่นะ แต่ถ้าเขาว่าต่างคนต่างคิดทำลายคิดทำลายมีแต่คิดแก่งแย่งมีแต่คิดเอารัดเอาเปรียบไม่ส่งเสริมชุมชนประเทศชาติประเทศชาติก็อยู่ลําบากเหมือนกันนะแต่ให้ล้มมันก็ไม่ล้มหรอกแต่มันกลวงมันกลวงเหมือนกับต้นไม้ใหญ่นี่นมันไม่ล้มเหมือนกันะแต่ว่ามันมันแกลนมันไม่เติบโตไม่เจริญเติบโตใบก็กุดกุดหุวนหุน่หนกิ่งก็ ไม่เจริญงอกงามดอกผลก็ไม่ออกเพราะเหตุใดเพราะมันมีด้วงมีปลวกมีอะไรชัยต้นของมันอันนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าคนในชาติมีแต่ด้วงแต่ปลวกเต่หนอนชิงช่อนชัยต้นไม้ใหญ่ทําให้ต้นไม้ใหญ่หมดกําลังเหมือนกันแต่ถ้าว่าทุกคนหาปุ๋ยหาน้ําหาอะไรมาดูมาบํารุงรักษา ต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นก็จะเดิญงอกงามขึ้นมาได้เพราะคนในชาติให้ความสําคัญอันนี้ก็เหมือนกันนะั่นแหละประเทศชาติจะร่มจมก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากคนในชาติเท่านั้นทให้ร่มจมเหมือนกับพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้เลยนะพระพุทธเจ้าวัานะจะทําให้ศาสนาเจริญหรือจะทําให้ศาสนาพดเสื่อมเนี่ยไม่ใช่อื่นไกลไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจากพุทธบริษัทสี่ ภิกษุสา ม, มนเณรอุบาสกอุบาสิกานี่แหละเป็นผู้ทําลายเป็นผู้ทําให้เสื่อมให้หมดแล้วก็ทําให้เจริญก็คือพุทธบริษัทสีนี่แหละอันนี้ก็เหมือนการถ้าจะเปรียบเทียบกับประเทศชาติบ้านเมืองเมืองไทยของเราก็ลักษณะอย่างนั้นแหะคนในชาติของเรานี่แหละจะทําให้ประเทศชาติล่มจมหรือประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองไม่ใช่ใครอื่นแต่ถ้าว่าทุกคน หันหน้ามาเพื่อพัฒนาประเทศชาติใครมีหน้าที่อะไรอย่างพระสงฆ์องค์พระเจ้ า, จาเ อ, อ่อมีหน้าที่สั่งสอนพี่น้องประชาชนสั่งสอนคุณธรรมคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมสั่งสอนจิตวิญญาณให้คนสํานึกให้รู้จักบาปบุญคุณโทษพยายามแนะนําสั่งสอนถ้งว่าเป็นครูบาอาจารย์ก็สอนนักเรียนก็ตั้งอกตั้งใจสอนจริงๆให้คุ้มค่า กับการเงินการทองที่เขาไหวจ้างเราไม่ให้ขาดตกบกพร่องผู้เป็นหมอเป็นพยาบาลก็ทำหน้าที่รักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยเต็มที่ที่เขามอบความไว้วางใจเอาใ ห, ให้พวกที่ทำถนนหนทางก็ทำถนนหนทางด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่กินหินไม่กินทรายไม่กินเหล็กกินปูนว่างั้นถะถ้าว่าทุกคนมีความซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติ หลวงพ่อว่าประเทศชาติของเราเนี่ยน่าอยู่มากกว่านี้แต่เดี๋ยวนี้โดยมากไม่ค่อยจะเป็นอย่างนั้นคนในชาติของเราครับพอได้พอได้ลัดได้เปรียบคดโกงหลีหลีหนีภาษีก็ไม่ช่วยเหลือประเทศชาติจะทำให้ประเทศชาติของเราพัฒนาไปเลยด้วยความยากลำบากบางทีเพล่เเผล่อาจจะพกคำเมนเอาได้ไ ง, ง่ายง่า<ๆ>ยว่างั้นเถะ เพราะนั้นคนในชาติของเราในไหนช่วยกันคนละไม้คนละมือหลวงพอว่อหวานหลวงพ่อก็บีแต่แนะนําสั่งสอนแต่การไม่พูดเฉลยก็ไม่ดีแต่พูดไปมากพูดที่ฟังก็รู้สึกว่าตะคิดตะขวางใจแต่ถึงยังไงพูดดีกว่าเพราะเหตุไรอย่างน้อยกับพวกเราก็ได้สํานึกสําเนียกในใจว่าเออได้ยินครั้งหนึ่งพระที่ท่านพูดให้ฟังอย่างนี้อย่างนี้มาสําเนียกมาพิจารณาดูแล้ว ก็เป็นจริงอย่างที่พระสงฆ์ที่ท่านพูดแต่ถ้าทุกคนให้ความสําคัญต่อประเทศชาติประเทศชาติก็จะเจริญรุ่งเรืองเหมือนกับหลวงพ่อได้ยินในพระไตรปิฎกนี่ยนะพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ในพระไตรปิฎกว่าผู้ที่จะทําศาสนาให้เสื่อมหรือเจริญไม่ใช่ใครอื่นเป็นพุทธบ ร, รษิษัทสนี่แหละอันนี้หลวงพ่อฟังก็ฝังใจใช่ถูกต้องอันนี้ก็เหมือนการหลวงพ่อบอกหลวงพ่อพูดไม่ผิดเหมือนกัน ประเทศชาติจะเจริญรุ่งเรืองไปได้เพราะคนในชาติแต่หากว่าคนในชาติช่วยกันทําลายแล้วประเทศชาติอย่างน้อยไม่ล่มไม่จมก็แกล้งพัฒนาไปด้วยความยากลําบากแต่ถ้าว่าต่างคนต่างช่วยกันใครมีหน้าที่อะไรก็ช่วยกันคิดช่วยกันปรับปรุงแก้ไขประเทศชาติก็จเจริญรุ่งเรืองไปได้เพราะนั้นหลวงพ่อเองในฐานะพระสงฆ์ ก็ไม่ได้หนิ่งดูได้กับพร้อมกันก่อนเนี่ยช่วยแนะนำสั่งสอนพี่น้องประชาชนไม่ใช่แนะนำเฉยๆเพราะงั้นแะจะตุปปัจจัยไทยธรรมที่ได้มาหลวงพ่อก็ทุ่มเทไม่ใช่แต่สองสโรงเรียนเท่านี้นะถ้าดูๆแล้วเป็นหลายโรงเรียนทีเดียวจากนั้นก็ช่วยเหลืออะไรต่ออะไรในชุมชนท้องถิ่น ว่ามีความจําเป็นเออไม่ขัดต่อหลักธรรมวินัยเป็นประโยชน์ต่อชุมชนพี่น้องประเทศชาติแล้วก็เอ้าทําลงไปแต่สิ่งไหนที่มันขิดขัดต่อศีลธรรมหลวงพ่อจะไม่ทำโอ้หลวงพ่อพวกผมอยากจะได้สะขุดซาลงไปเพื่อเลี้ยงปลาอย่างไม่ได้ไม่ได้ฮผิดศีลธรรมเหลวงพ่อส่งเสริมไม่ได้หลวงพ่อครับผมอยากจะได้ออฟาร์มหมูฟาร์มไก่ฟาร์มอะไรเนะี่ยไม่ได้เนีอันนี้ผิดต่อหลักธรรมวินัย นี่แหละอันนี้ก็คือทุกหน่วยงานไม่ได้นิ่งดูได้สิ่งเหล่านี้ทางพุทธศาสนาได้ช่วยชุมชนสังคมประเทศชาติทําให้พูดให้ฟังก็อย่างที่หลวงพ่อพูดนะถ้าพูดให้ฟังก็เหมือนหลวงพ่อขี้อวดเหมือนกันตามจริงไม่อวดถ้าพูดตามความเป็นจริงให้พวกเราได้เข้าใจว่าพุทธศาสนาพระสงฆ์องค์พรเจ้าที่ท่านอยู่ในป่าดงพงไพ่ท่านช่วยเหลือชุมชนสังคมประเทศชาติอย่างไรบ้าง เออไม่ใช่ว่าท่านสันจังหั น, นหเสร็จแล้วกับ น, นิ่เงเงียบหลับหูหลับตาภาวนาอย่างเดียวใช่อันนั้นหลับหูหลับตาภาวนาท่านไม่ได้ทอดทิ้งเอออันนั้นเป็นหน้าที่ของท่านโดยตรงเหมือนกับครูเนี่ยมีหน้าที่อะไรสอนนักเรียนหมอมีรักษารักษาคนไข้ส่วนพระสงฆ์ที่อยู่ในป่ารงพงศัยอย่างหลวงพ่อนคือหน้าที่ภาวนาจะทํายังไงจิตใจะจะเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งได้ทํำยังไงจิตใจจึงจะถอดถอนกิเลสออกจากจิตใจได้อันนี้คือหน้าที่ ต้องศึกษาต้องพิจารณาต้องไตรตรองอยู่เสมอเพราะหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านได้ตัดสร้อะไรพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้อะไรเป็นบรมครูของพวกเราฝ่ายพระเมื่อ 2,500 กว่าปีพระพุทธเจ้าตัดสรุปธรรมเบื้องต้นปุบเพรนิวาสานุสติยานระลึกชาติผลหลังได้แสดงว่าตายแลย้วไม่สูญเพราะฉะนั้นต้องศึกษา จ, จริงหรือเปล่าเพราะนั้นท่านจึงนั่งภาวนา ดูตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนทาจิตให้สงบดูสิพอจิตสงบเข้าไปจะรู้เหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านรู้เออใช่จริงจิตกับกายกายกับใจใจกับผู้รู้ผู้รู้กับกายคนเป็นคนละอันกันจริงๆอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนตายแล้วไม่สูญแน่ชัดในจิตใจเนี่ยพ่อตายนะร่างกายนี่ตายแตกสลายแน่นอนแต่ดวงวิญญาณที่ใจนั้นโดดเด่นมาก เ, เมื่อร่างกายแตกไปแล้วใจตรง ที่มันอยู่นี่แหละไปหาปฏิสนธิไปหาเกิดที่ใหม่ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้จริงๆเนี่ยนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าปุเพเนวาสานุสติยานระลึกชาติทูลหลังได้เป็นคําพูดที่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นครั้งแรกเพราะคนทั้งหลายยุคสมัยนั้นกขาคงจะเหมือนกับยุคสมัยนีย่ตายแล้วเกิดได้วตายแล้วศูนย์กันแน่นี่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าควรพิสูจน์ยังไงในก่อนที่ จะรู้ว่าตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วสูญพราะพุทธเจ้าพาปฏิบัติแนะนําสั่งสอนพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะถ้ากว่ายังปฏิบัติยังไม่ได้ก็ตั้งความเชื่อไว้ก่อนเชื่อพระพุทธเจ้าไว้ก่อนจากนั้นก็ลงมือประพฤติปฏิบัติทําจิตตภาวนาทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งจากนั้นจะรู้ได้ด้วยตนเองเหมือนกับเราทานอาหารรู้ได้รสเผ็ดรสเค็มแต่ถ้าว่าเรามีแต่นึกดูนึกเฉยเฉยมันเราก็ไม่รู้ ว่ามันเป็นยังไงรถเผ็ดเข็มนั้นๆแต่ถ้าว่าเราปฏิบัติแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองจิตสงบเป็นยังไงรู้ตัวจริงได้อย่างไรเนี่ยอย่างเนี้ยนะจากนั้นจุตูประปาตยานการจุติการเกิดการตายของสัตว์เรามาจากที่ไหนมาเกิดที่นี่เราออกจากนี่แล้เราจะไปที่ไหนท่านไม่ว่าร่างกายเดย้ท่านว่าวิญญาณคือใจนั่นนะใจของคนออกจากร่างนี้จะไปเกิดร่างไหนต่อ แล้วเขาทํากรรมอันไหนไว้พระพุทธเจ้าท่านก็นดูว่าถ้าว่าใครทํากรรมชั่วเอ่อพอออกจากภพนี้ชานี้กรรมชั่วจะวิ่งเข้าไปล็อกเออติดตามคนนั้นเลยเออติดตามคนนั้นดันไปเมื่อลูกกระสุนปืนนะเอ่อดินปืนดันลูกกระสุนออกไปอย่างนั้นทางว่าเราทํากรรมชั่วมันก็ดันไปทางเออดันลูกกระสุนไปทางชั่วไปทางต่ําไปตกนรกหมกไหม้ไป แต่ถ้าเราทํากรรมดีดินปืนกนดดันขึ้นไปสู่สุคติไปสวรรค์เกิดมาเป็นมนุษย์ก็อุดมสมบูรณ์ไม่เป็นบ้าใบเสียจิตผิดจากมนุษย์ทั้งหลายแต่ถ้าว่ากรรมชั่วให้ผลแล้วก็เป็นได้ห ล, หลายๆอย่างนั่นนานับประการมือนกัอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นมนุษย์ เ, เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ไม่เหมือนมนุษย์เนี่ยทำไมเพราะกรรมเป็นผู้จําแนกให้สรพรพสัตว์ทั้งหลายเกิดในที่ต่างๆแตกต่างกัน กมคือการกระทำเพราะนั้นพวกเราให้ศึกษานะศรัทธาญาติโยมทุกทุกท่านนะให้ศึกษาเรื่องธรรมะของพระพุทธเจา้าเป็นของละเอียดอ่อนมากทางเราได้ศึกษาแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใครเอาต่อนนี้ไปรับพรนะเจนีนะาับ พโรองข้าวินิมุตนสับสันต